ห้าส n บห้า e s กการทางานเอเอคุณทาอาชีพอะไรคะลก สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะมูเมโซนอรสตมนอรสดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงมา t ö ื t a n poole kohaga ห e d i t s i i n i ี่นีมาเอีอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญว a ร์สติ a า m e เ e เป็นเซน VARSTI s a a m มเ e p ป็น i นิดแต่ภาษีสูงมากคุณมักซูตันเกิร k กัตคุณมักซู k ันเกิร์กัตและค a าประกันสุขภาพก็สูงเวิสเนตกาเกกยเตวิสเนลตกาเกกันูยเป็นอะไรในอนาคตก็กซ์ตต sa ลั a ซ a โ a ซ่าต์ตอตฮอดหนูอยากเป็นวิศวกรมอต e อนอินเจเ a ริกซาต์ม n ตฮอ e อินเจเนร a กซาต์หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมอตฮอนอุลีโกริซุปป a ต a ม a ตฮอนอุลีโกริซุปป d ตาดิฉันเป็นพนักงานฝึก h ัด Ma, Ma, Ma olen ol praktikant. มดิฉันมีรายได้ไม่มากมอยเตนยวมดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศมอร์เดน r ร็อกติกเกตเวลีส์มอล e อร์เดนพร็อกติกเกต a วลนี่คือหัวหน้าของดิฉันเซ e อนมินูยูเลมุสเซออนมินูยูลมุส ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมูลนิธิวัดโกเลกิตมูลนิธิวัดโกเลกิตเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอรู้นยอะไรไม่ม้หลอดที่กลาสรู้นยอะไรไม่ม้หลอดที่กลาสดิฉันกำลังมองหางานมอซินโคตามอซินโคตา ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วมอลลี่นิวบอสตอลน็อตเตอร์มอลลี่นิวบอสตอลน็อตเตอร์ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจานวนมากกรรุณาไปที่ www o b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด